พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10ธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยสติช่วงนี้เป็นช่วงที่ เข้าเขตฤดูหนาวกลางวันจะน้อยกลางกลางคืนจะมากถ้าหากว่าเป็นฤดูร้อนกลางวันจะมากกลางคืนจะน้อยวันนั้นวันบินทบาทของพวกเราให้ขยับออกนะหน้าหนาวเนี่ยผมส่วนผมเองผมจะบินทบาท ประมาณเจโมงนะแต่สายอื่นกับสุดแท้แต่หมูจะเห็นสมควรจะไปเวลาเท่าไหร่แต่ขยับออกตามการเวลาแต่ผมจะเร่งเป้ากับประมาณสักเจดโมง15นาทีทุกปีที่ผ่านๆมาก่อนลักษณะอย่างนั้นน่ะเพื่อศรัทธาญาติโยมทางไกลเพื่อไว้15นาที ผมโดยมากคนจะกะให้ประมาณสักเจ็ดโมงถึ้เจ็ดโมงสิบาในขณะนี้แหละปิดท่าวาตอนเช้าประกาศให้หมู่พวกเพื่อนได้รับทราบร่วมกันแล้วก็เป็นไงปัดกวาดหวัวหน้าลุนได้หมูปัดกวาดทุกวันเจ็ดคำสิบสี่คำไหมเนี่ยเออ ช, ช่วยกันดูนะปัดกวาดเจ็ดวันปัดกวาดให้รอบวัดสักรอบนึงเพราะวัดของเราต้องรักษาไปที่ไหนไปที่ไหนไม่ใช่ว่าทำถนนหนทางแล้วก็มีแต่ลกหลงหลังมันไม่น่าดูใครจะเดินจงกรมที่ไหนใครจะไปเดินเปลี่ยนอริยบท ที่ไหนในในวัดของเราก็เดินไปได้ เ, เพราะมันไม่ได้ พ, พกผ่านกับหมูพวกเพื่อนอกุฏิของพระแต่และองค์ก็เหมือนกับอยู่ในกล้างปลา เ, เราก็เดินไปตามถนนสายเมนถนนสายมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพระเราจะเดินไปตามที่ไหนเราจะ ไปกำหนดสายไหนเป็นทางเดินยมกลมข้อเราก็ได้ในวัดที่วัดข้อเราก็กว้างขวางเราปลีกเลี่ยงไปหาภาวนาไปพักตามกุฏิก็ได้วันนี้เป็นวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2558หเมื่อกี้แล้วพวกเราคณะสงฆ์ทั้งหมด 37โรคได้ลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้อันนี้คือเป็นการทบทวนเรื่องศีลและวินันทุกสิ่ห้าคำทุกกลึกเดือนอันนี้คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้พวกเราหลงละเลงหลงเหลิงงจ้างหรือว่าลืม วันคืนเดือนปีถือยังไงสิบห้าวันทุกกลึงเดือนพวกเราจะต้องทบทวนเรื่องศีลและวินยัยถ้าว่าพระไม่มีศีลไม่มีวินยัยก็ไม่รู้ว่าจะเรียกพระได้ยังไงเพราะเหตุไรเพราะไม่มีศีลไม่มีกฎ ร, กฎระเบียบกฎระเบียบศีลนั่นแหละลจะทำให้พระของพวกเรามีศักดิ์ศรีดีงาม ถ้าพระของเราไม่มีศีลไม่มีวินัยคุ้มครองเหมือนทาตัวเหมือนกับครวาสฆรวาสทำยังไงทำตนอย่างนั้นมันก็ยิ่งแย่กว่าฆรวาสไปอีกเพราะให้ไรเพราะฆรวาสเขาทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งของเขาด้วยติปัญญาของเขาแต่เราเป็นพระ เราไปอาศัยเขาเลี้ยงชีพและก็ทำตนเหมือนกับฆรวาดมันก็เอาเปรียบฆรวาสชัดๆามาเอาเปรียบหลักประทมวินัยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นให้พวกเรานึกคิดไว้อยู่เสมอเราเป็นพระไปนัสถานที่ใดก็ตามบอกว่าเราเป็นพระเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องวินยัยศีลและวินยัยพวกเราอย่ามองข้ามถ้าว่าผมเองเนี่ยถ้าได้ยินว่าพระสงฆ์หรือว่าลงข่าวถ้าว่าพระไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยผมก็ไม่รู้สึก ผมรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันเพราะพวกเทศใดเพราะพวกอยู่พวกเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มของพระเพราะนั้นให้พวกเรานะทุกองค์นะที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ฟังผมพูดเนี่ยแหะก่อนที่จะทําอะไรลงไปพวกท่านทั้งหลายต้องนึกสํานึกสําเหนียกไว่วามันจะเสียตระกูลไหมเสียหลักของพุทธศาสนาเสียพระพุทธเจ้าไหมแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านไม่เสียอยู่แล้ว มันเสียเราแต่มันเสียเราก็เสียวงตระกูลทำให้วงตระกูลมัวหมองถึงท่านยังไม่เสียอย่างพระพุทธลูกท่านก็เป็นพระพุทธปฏิมาวันยังคำ่ำแต่พวกเราเอาขี้โครนขี้ตมไปพอกพูนแต่ดู ด, ดูมก็ไม่น่าดูเหมือนกันคนทั้งหลายก็ตทำนี่พระทำไมพระองค์นี้ทำไมเปิดเปื้อน ด, ด้วยสิ่งที่อ ไม่ไม่ควรจะเปรืป้อนอย่างนี้ฮะอันนี้เขาก็ดูถูกดูถูกได้ให้แค่บ่าคนมองได้บ่างในสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเป็นศากดบุตรที่เรารักเคารพในพระธรรมคําสอนรักเคารพในพระพุทธศาสนารักเคารพในตระกูลของพวกเราควรพวกเราก็ควรจะทําตัววางตัวประพฤติตัวให้เป็นพระที่ดี ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีตามแนวแถวอริยะประเพณีตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ทางที่ท่านวางกฎระเบียบวินัยให้กับพวกเราทั้งหลายได้ประพฤติธปฏิบัติอย่างพวกเราสวดลงจบลงสักครู่นี้นะ่แต่เป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาบาลีก็เถอะถ้าเราใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ เราก็เอาหนังสือพระปฏิโมกเนี่ยนะที่มันแปลก็มีอยู่ข้างหนึ่งที่อัดเนี่ยคือเป็นบาลีคืออัดนะแปลก็คือเป็นภาษาไทยเราก็เอามาอ่านมาศึกษาแต่แปลว่าอย่างไงที่ท่านสวดลงเนะี่ยทุกสนะิบห้าค่ำเนี่ยท่านสวดลงไปเนะี่ยแปลว่าอย่างไรจากนั้นเราก็ถ้ายังไม่เข้าใจเป็นภาษาบาลีเพราะว่าเขาแปลท่านแปลตามตัวหนังสือตัวบาลีอาจจะไม่เข้าใจเพราะเป็นศัพ์ เหมือนกัะสับกฎหมายลักษณะนะ่ะแล้ก็ไปอ่านในนวโกวาทก็ได้ตั้งสิกขาบทที่หนึ่งก็มาเปรียบเทียบัาดูสิกขาบทที่หนึ่งปาลาชิกข้อที่หนึ่งว่าอย่างไงสิก ข, ขาบทข้อที่สที่สมที่สี่ว่าอย่างไรสังขาที่เสพสิสังขาที่เสดสิบสข้อข้อที่หนึ่งจนถึงข้อ13ว่าอย่างไรงอนันยศสองอสองข้อนั้น เ, เปรียบเทียบว่าอย่างไรในนวโกวาท จากนั้นเราก็ดูไปจนถึงจนจบอธิการณะสมัทะสมัทะเจ็ดข้อนะสุดท้ายแล้วก็มีที่แปลอยู่แล้วและก็พร้อมกันถ้าเรายังไม่เข้าใจยังมันย่อกเกินไปในนวโกวาทเราก็ไปอ่านในวิัยมุกเล่มหนึ่งที่ท่านแปลเอาไว้ที่ท่านสอบนักธรรมตรนะีอันนั้นเราก็อ่านรู้สึว่า ป่าละชี้ข้อที่หนึ่งอยู่ในพระปฏิพวกว่าอย่างไงในนวโกวาดท่านพูดว่าอย่างไงแล้วท่านอธิบายเนื้อความในวินัยมุกเล่มหนึ่งเนี่ยชี้ขาบทที่หนึ่งเนี่ยท่านอธิบายอย่างไรถ้าเรายังไม่เข้าใจอีกบางเ่าอยากจะรู้จักต้นต่อว่าวินัยนี้มาจากไหนข้อนี้ใครเป็นคนกระทําผิด เราก็เป็นคนในพระไตรปิฎกเล่มใหญ่เลยใชนะ่ไหมใครเป็นคนกระทาผิดกระทําผิดเมื่ อ, อไร พ, พวกพระธเจ้าอยู่ที่เมืองอะไรพระที่กระทาผิดนี่อยู่เมืองอะไรในยุคสมัยนั้นท่านระบกท่านระบุบ่งบอกชี้ชัดเจนว่าการกระทําผิดของพระภิกษุในศิกขาบทแต่ละสิกขาบทนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาฮะ ถ้าพวกเราอยากจะรู้ใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ในกฎระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้าพวกเราจะรู้ได้มีความหมายทั้งนั้นเมื่อเราเรียนรู้แล้วพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มีคุณค่าสําหรับการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันพระสงฆ์ถึงจะมีมากมาย เ, เป็นหมื่นเป็นแสนก็เถิดถ้าอยู่ในลหลักพระธรรมวินัยแล้วน่าดูทั้งนั้นแหละ ทางว่าออกนอกลู่นอกทางใช้นกลงนักเลงบังใช้เหล่เลียม เ, เล่โกนบังออกนอกลู่นอกทำออกจากนอกกลับพระธรรมวินัยมันดูดูดแลมันไม่ได้ดูหรอกไปออกไปทางกิเลสนั้นไปบอกออกออกกิเลสนําหน้าถ้าออทำนำหน้าแล้วก็คือถึงยังไงถึงจะโง่เง่าถึงจะฉลาดขนาดไหนก็เถอะให้อยู่ในหลักโอวาทของพ่อ โอวาเนี่ยหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะนะเนี่ยเขาอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยเพราะเราเข้ามาศึกษ า, ามาอยู่ในส ม, มณนเพศนีเ้เราไม่ใช่เป็นอย่างอื่นถ้าเราเป็นฆราวาสเราจะทํำยังไงก็ได้ถ้าอยู่ในกฎหมายถ้าทําผิดกฎหมายเขาก็จัดการอีกเหมือนกันนั่นแหละอันนี้นเมื่อเราก็มาอยู่ในส ม, มณนเพศคือเพศของพระเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ เราควรจะทำตนอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราตรงโอปัญญิโกมองตนเองไว้อยู่เสมอ อ, อ, อย่าลืมตัว เ, เราเข้ามาสู่เพศเพศ พ, พระพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกองนะพระทุกองนะพวกเราทุ ก, ท, กท่านนะถ้าไปอยู่นสถานที่ใดไม่ใช่อยู่สถ า, านที่นี่ละไปสถานที่ใดก็าตามให้เราสำนึก นี่จิตใจไปเสมอเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราลูกเราเป็นผู้ลูกเป็นลูกศิษย์ที่มีครูครูบาอาจารย์เราก็ต้องเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินพาประพฤติปฏิบัติมานี่แหละอันนี้ก็คือสิลและวิยัยส่วนภาคส่วนแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าที่ต้น ที่รักษาหลักพระธรรมวิ น, ยนัยเนี่เพื่ออะไรท่านต้องการอะไรจุดมุ่งหมายของพระพุธทธเจ้าอย่างผมเคยพูดเคยบอกให้กับหมู่พวกเพื่อนท่านต้องอท่านเพ่งมองไปทางจิตาทางพ้นทุกข์เพื่อจะรักษาเหล่านี้ก็คือศีลลิไวไนคือรักษาเปลือกกระพี้เพื่อต้อง เ, อเพื่อปกป้องไปถึงแก่นแก่นก็คือ สิ่งที่จะทำยังไงจึงจะทำใจให้หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสรรงสารอันนั้นคือจุดมุ่งหมายจุดประสงค์จุดสูงสุดของอพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มุ่งหวังที่มาอยู่ป่ารงพงไพรอย่างนี้มาเพื่อรักษาศีล เ, เมื่อเพื่อรักษาศีลแล้วก็ภาวนาทาจิตใจให้สงบ จากนั้นกับพิจารณาดูจิตใจของตนเองใจของเราถ้ามองดูให้ชัดเจนนะ่ะแต่ละวี่แต่ละวันให้พวกเราถ้ามีสตินะถ้ามีสติสัมปชัญญะจับดูจิตใจของเราแล้วนะใจของเราใจมนโนวิญญาณหรือจิตวิญญาณมนโนสรุปล่ะก็คืออันเดียวกันท่านเปรียบเทียบก็เหมือนกับจิต วิญญาณมโนเนี่ยมันไปจับอารมณ์ต่างๆอารมณ์เหมือนกับมีลิงมีลิงตัวหนึ่งอยู่ในป่าพอมันจะเกาะกิ่งไม้ต้นนี้พอแล้วมันก็วางจากกิ่งไม้ต้นนี้มันก็ไปเกาะกิ่งไม้ต้นนั้นอย่างพวกเราเห็นลิงอยู่ในต้นไม้เหมือนกับชะนีแหละชนีสมชายอยู่ในวัดของเรามันไม่ใช่จะเกาะจกอยู่ที่เดียวพอมันออกจากกิ่งนี้มันก็ไปกิ่งนั้นไปกิ่งนั้นไปนั่น อารมณ์ของเราก็รักษณะอย่างนั้น่ะอารมณ์ภายในใจของเรานะมันไปเรื่อยๆเกาะเกี่ยวไปเรื่อยไม่มีที่สิุดตั้งกลางวันกลางคืนนี่แหละทีนี้ในในเราจะทำยังไงจึงจะให้จิตใจดวงนั้นสงบอยู่ด้วยวิหารธรรมคือจิตใจนิ่งพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระสาวอริยสาวกต้องอยู่ในอนาปานสติแล้วว่าอริยอริยวิหารธรรม ผม ว, วิหารผม ว, วิหารคือเพคือเป็นเป็นเครื่องอยู่ของผมผม ว, วิหาร พ, พุทธวิหารธรรมคือพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ า, วาพระพุทธองค์ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสติต้องอยู่ในกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคนที่มีสติอยู่กำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ลมหายใจสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้ว ผู้นั้นแปลว่าเป็นผู้ตั้งสติเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือจิตอยู่ด้วยอารมณ์เป็นหนึ่งคืออาณาปานสติเพราะนั้นเรื่องอาณาปานสติถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกในศึกษาในพระธรรมคำสอนของพุทธะแล้วท่านไม่ใช่มองไม่ใช่เช่มองอย่างอื่นท่านมองเป็นของที่ว่าเป็นคู่กับชีวิตจิตใจคู่กับ ประพฤติปฏิบัติในหลักพระธรรมในจิตภาวนาเป็นอย่างมากก้าพวกเราได้ศึกษานะเพราะนั้นพวกเราผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดก็ตามภาวนาที่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้พวกเราปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธะที่แท้จริงเลยนะ เ, เป็นพุทธแนวแถวของพุทธะ อย่างแท้จริงพูดอย่างนั้นได้เลยประด็นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะเราอยู่ณสถานที่ใดให้มีสติสัมปชัญญะถ้าว่าเราเดินเรากำหนดที่จะหมูกของเราไม่ได้มันจะสับสนจะกำหนดลมไม่ได้ะขณะที่เดินเราก็กำหนดที่ก้าวเดินของเราขาขวาพดขาซ้ายโถกถ้าเราปัดกวาดเราเดินไม่เป็นไปไม่เป็นปกติเราก็เหวี่ยงขวา เี่ยงซ้ายโถเราปัดกวาด น, ะนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดหรือให้มากที่สุดหรือตลอดเวลาถ้าได้อย่างนั้นแล้วดีที่สุดนะถ้าหาว่าปล่อยป่าละเลย เ, เข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะกําหนดอะไรไม่รู้จะดูอะไรไม่รู้จะภาวนาอย่างไงปล่อยป่าละเลยมิถุคิด ลอยอารมณ์ของตอนเองเออละเหยลอยลมไปแต่ละวันละวันละเดือนละปีไปมันไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ผมพูดวันนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือรักษาศีนพี่นัยคืออยู่ในกฎระเบียบเมื่อรักษาศีนพี่นัยดีแล้วเรามุ่งหวังอะไรเพื่ออะไรก็เพื่อเนี่เพื่อทางพ้นทุกข์ของเรามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าหาว่าพวกเราไม่อยู่ในศีนในวินัยเลอะเลอะเทอะเท ะ, ทะ ไม่มีกฎไม่มีระเบียบอย่าหวังเลยทำขั้นสูงเหล่านี้จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราแต่ว่าพวกเรารักษามาแต่ต น, นู้นแหละแต่ว่าเรื่องศีลและวินัยเข้ามาแล้วจากเรื่องสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาไดไ้เมื่อเกิดสมาธิและ้วปัญญาก็จะตามมาปัญญานี่แหละจะเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องชำระเป็นเครื่องรอบรู้ในเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ควรไม่ควรอย่างไรตลอดถึงชำระจิตใจกิเลส ต, ตัวไหนอยู่ในจิตในใจของเราตัวปัญญานี่แหละที่จะชำระหักล้างออกจากจิตใจของเราใจของเราจะหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสไดนะ้ด้วยปัญญานะเนี่ยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเออมันไปด้วยกันนะนะสมาธิกับปัญญานะี่ใครข้าว่าถึงข่าวนั่นแหละสมาธิเต้งปัญญาก็จนะ ปัญญาสมาธิกับปัญญามันทะลวงไปพร้อมกันเลยมันจะเอาชนะจุดไหนถ้าขาดสติแล้วก็เผลอเผ อ, เ, อเลอะเลอแลอ้วถ้าว่าปัญญากับแทงผิดแทงถูกมนะแทงไม่ถูกจุดหมายแต่หากว่าพวกเรามีสติน่งนี่แน่นิ่งแล้วก็จุดไหนจดปากกาลงจุดไหนมันก็ถูกจุดที่มุ่งหมายไปได้นี่แหละ สติกับปัญญานะที่จะทําให้ตัดกิเลสภายในจิตใจของพวกเราให้เป็นชิ้นเป็นอันสําเร็จลุล่วงไปได้เพรา ะ, ะนั่นขอให้พวกเรานะต้องฝึกตั้งแต่ศีล น, นี่แหละศีลและวินยัยศาสตร์ศีลและวินัยอยู่กับตัวของเราอยู่เมื่อไหร่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ถือว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เราอยู่ในโอวาทของพระุทธเจ้าอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดไปถ้าเราขาดศีลศีลไม่อยู่ในตัวของเราเมื่ อ, อไร่เมื่อนั้นแหะเราขาดจากศีลแล้วสมาธิจะไม่หวังไม่อย่าหวังเลยจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตใจของเราโลนเลยรวนเลแล้ว จ, จุดนั้นในเมื่อจิตใจของเรารวนเลปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ปัญญาก็แปรผันแปรปวนอีกเหมือนกันบ้าบ่าปองปองบอบอปอ บ, บ, บไปเลยไงจะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้อย่างไรเพราะนั่นที่หลงที่ผมได้พูดได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้กันเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเราบวชมาทั้งทีอย่าได้เสียเที่ยว เ, เสียทีบวชเข้ามาแล้วให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติท้าทางพ้นทุก์ ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่มีความบักบันอยู่อิทธิบาทคือคุณเครื่องคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ฉันทะวิทยะจิตตะวิมังสาอยู่ในตัวของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเรามีหวังที่จะถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังที่เราที่เราตั้งความปรารถนาเอาไว้จะถึงสูงจะต้องถึงจุดหมายปลายทางนั้น แล้วต่อนนี้ไปก็สุดท้ายประพิโมกนทินีนะ